แนะนำบทยูซุปบทยูซุปนี้เป็นบทมักกิยามมี111องค์การซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบรรดา น, นาบีในบทนี้ได้แยกกล่าวถึงเรื่องราวของนบียูซุปบรของนบียากรุไว้อย่างละเอียดพอสมควรเป็นต้นว่าสิ่งที่เขาได้ประสบกับการทดสอบนานาชนิดได้รับการทรมานจากพี่ของเขาและคนตึงอื่นในทำเนียบของผู้วารจการอียิปต์ รวมทั้งในคุกตลอดจนการวางแผนล่อลวงของเหล่าสตรีในธรรเนียบจนกระทั่งอลัลลอฮ์ทรงบรรดาในเขารอดพ้นจากความหนักใจชุดมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อเป็นการปลอบใจท่านอาบับดุลโมมัซสลลลลอห์ละห์ละอฺสลัมขณะที่ท่านกําลังประสบกับความขับขันและกลุ้มใจในการสูญเสียคนรักทั้งสองคนในปีเดียวกันคือคอดิยาภรยาสุดที่รักของท่านและอบูตอริบ คุณลุงของท่านบทยุทสูต น, นี้มีสํานวนโดดเด่นไม่เหมือนกับบทมัคคิยาต์อื่นๆทั้งในด้านการใช้ช้อยคำสานวนการเรียบเรียงข้อความประวัติและเข้าโครมเรื่องก็เป็นที่เพเลิดเพลินจับใจอีกทั้งการดําเนินเรื่องก็เข้าถึงจิตใจของผู้อา่านในรูปแบบที่นุ่มนวลละมุนละไมไพเร า, าะกลมเกลืนและเข้าใจง่ายมีบรรยากาศแห่งความเป็นดูความเห็นอกเห็นใจและความสงสาร ด้วยเหตุ น, นี้อะปะกล่าวว่าผู้ที่เศร้าโศกเมื่อได้ยินการอ่านบทยุซุกแล้วจะรับความสงบทางด้านจิตใจบทยุสุกถูกประทานลงมาแก่ท่านสุลต่านสโลลลอห์วะเลวะสลัมขณะที่ท่านอยู่ในภาวะขับขันและวิกฤตในการดำเนินชีวิตเพราะในระยะนั้นท่านและบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความทุกข์และโศกเศร้าอย่างสุดซีในการสูญเสียเพื่อให้ความสนับสนุนท่านในการเผยแพร่าาศาสนาทุ้สองขด ดังได้กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นท่านและบรรดาผู้ศรัทธายังถูกทำร้ายและได้รับการข่มเหงจากฝ่ายตรงข้ามจนเป็นที่รู้จักกันดีว่าปีนั้นเป็นเปลีแห่งความโศกเศร้าทำกลางบรรยากาศดังกล่าวอัลลอฮ์ได้ประทานบทนี้ลงมาให้แก่นบีของพระองค์เพื่อเป็นการปลอบใจและบรรเทาทุกโศกที่ท่านกําลังเผชิญอยู่คล้ายกับว่าอัลลอฮ์ะจะทรงกล่าวกับนบีของพระองค์ว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ย เจ้าจะได้เศร้าโศกเสียใจและเป็นทุกข์ร้อนต่อการต่อต้านและการทำร้ายจากกลุ่มชนของเจ้าเลยท่านี้ก็เพราะว่าหลังจากความทุกข์ยากก็จะมีการผ่อนคลายหลังจากความทับแขนก็จะมีทางออกเจ้ารู้พี่ชายของเจ้าอยู่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเช่นการทดสอบเนื่องจากความอิจฉาและการวางแผนจากพี่ๆของเขาการทดสอบจากการถูกโยนลงไปในบ่อลึก การทดสอบจากการล่อลวงและการหลงรักของภรรยาผู้ว่าราชการการทดสอบในการติดคุกหลังจากการมีชีวิตอย่างสมดานในรั้วในวังจงดูซิว่ายูซุปมีความอดทนอย่างไวต่อการทดสอบใ น, นกล่าวท่านี้เป็นการต่อสู้เพื่อการสร้างสัพพะเพื่อความถูกต้องและศักดิ ร, รียูซุปได้อดทนต่อภัยอันต ร, รายและการทดสอบนานาประการ จนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนสภาพของเขาด้วยการให้ออกจากคุกเข้าสู่วังจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ราชการปกครองอมีอำนาจครอบครองเศรษฐกิจในะการค้าของประเทศได้รับการจงรักภักดีและก็มีเกียรติจนกิตติศัพท์เลื่อมลือไปทั่วทุกสารทิศนี่แหละคือการตอบแทนของพระผู้ทรงไวยซึ่งความยุติธรรมต่อบรรดาบ่าวของพระองค์ที่จงรักภักดี ผู้ใดที่มีความอดทนหนักแน่นต่อการทดสอบจะต้องทำจิตใจเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับการทดสอบจะต้องทำจิตใจเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับการทดสอบที่เกิดขึ้นครั้ง